ทางสอนรายการนี้แต่หากว่าใครปฏิบัติได้การบรรลุมรรคผลถึงขั้นประโสูติตาคานาคารหันจะทำได้รวดเร็วกว่าสุขวิปัสสโกมากซื่ว่าเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่ประเภทนั่งหลับตาเดินขอโทษไม่ใช่นั่งหลับตาไอ้นั่งมันเดินไม่ได้ ขั้นสุขวิปัสสโกนี่ความจริงเขาเรียกกันว่าการบรุอลหัน์แบบง่ายๆแต่ถ้ว่ากําลังใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคําว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราก็หมายความว่าพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้า ที่ยังมานั่งพูดนั่งเทศให้พวกเราฟังนั้นรู้สึกว่าไม่มีอยู่แต่ว่าธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมครูมียังมีครบถ้วนพอที่เราจะเป็นประสาติสิกาขาคานาคาหันได้แต่ถ้าว่าสุขวิปัสสโกนี้เหมือนกับคนหลับตาแล้วก็ผ้าดำโผกตาเดิน มันไม่สามารถจะเปรื่องความสงสัยเขาตนเองได้ถ้าบังเอิญเราได้สองในวิชาสามคือทิปย์กุญานและปุเพนิวาสานุสติยานได้ยานเดิมสอรายการนี้ก็เหมือนกับคนลืมตาเดินคนลืมตามองเห็นทางที่ตอนนี้ผมยังไม่พูดว่าเดินนะเรภัยนะ เมื่อคนลืมตามองเห็นทางสามารถจะรู้ว่าทางโน้นไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนจะเรื่องความสงสัยในการตักตัดสังโยชน์ของเราได้แบกง่ายกว่าสุขาวิปัสสโกแต่ถ้าหากว่าเราได้พิญญาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอภิญญาหกในรู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยใช้เวลานา น, าน เราใช้พิญญาเล็กกันคือมโนมยิธิถ้าเราสามารถทำมโนมยิธิได้สามารถถอดอธิสมานกายคือกายจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนี่ไม่ใช่เปลือกไอ้กายที่เห็นข้างนอกแต่มันเป็นกายเปลือกเอากายจริงๆไปสู่สวรรค์ไปสู่พมลโลก ไปนรกไปสู่ได้ของเปรตอสตระกายหรือว่าถ้าจิตเข้าถึงโคตรภูยานสามารถจะไปถึงพนิพพานได้แล้วก็ไปพบพระพบเทวดาพบพรหมพบสัตว์นรกพบอะไรต่ออะไรก็ได้ตอนนี้สำหรับมโนยิธินี้ถ้าเราได้แล้วผลแห่งการมารุมาผลจะรวดเร็วกว่าวิชาคามสามารถ เออใช้ปัญญาเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการฝึกสําหรับด้านที่มีขวยายก็รู้สึกว่ายังมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับเทวดาก็ได้เราจะพูดกับพรหมก็ได้เราจะพูดกับสัตว์โลกจะพูดกับเปรตอสุรกายก็ได้จะพูดกับพระยายมก็ได้ แต่ว่าเป็นคนประเภทตาดีแต่ว่าขาเดินไม่ไหวกำลังใจดีกว่าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโคมากแต่ว่าความรวดเร็วในการจะได้มกผลช้ากว่าในด้านข้อพิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญานีนยะสอยขั้นมโนยิธิเท่านั้น อย่าไม่สอนถึงขั้นอภิญญาหกต้องใช้เวลามากนึกสุขว่าจะช้าดีไม่ดีเก้าสิบปียังไม่ได้ถ้ากำลังใจไม่เข้มแข็ง <c oughs> นี่ถ้าจะพูดกันถึกการสาเร็จเนะื้อมักผลถา้าว่ากันถึงมักผลจริงๆการปฏิบัติถึงในขั้นสุขวิประสะโกก็ดี เตวิโชก็ดีสชราพิญโยก็ดีปฏิสัมมิทัปโตก็ดีก็ใช้กำลังเสมอกันคำว่ากำลังเสมอกันนี่ผมพูดมาเยอะ <c oughs> แต่รู้สึกว่านักปฏิบัติเนี่ยจะสนใจน้อยเกินไปนี่ไม่นสนใจน้อยเกินไปผมจะรู้ได้เพราะความฉลาดเพราะหรือว่าความโง่ของพวกท่าน แต่ว่าปฏิบัติกันจริงๆจะเป็นด้านไหนก็ตามถ้าจิตทรงสมาธิกันจริงๆอย่างที่ผมสอนผมนสอนพวกท่านไว้เสมอว่าอย่าให้เวลามันว่างจากอารมณ์ภาวนาหรือว่าการพิจรารณาถ้าอารมณ์ของเราไม่ใช้จิตอย่างอื่นหรือว่าเราใช้อารมณ์ของเราไปใช้จิตในการงาน ก็เอาจิตจับในการงานนั้นด้วยสมาธิจิตคือตั้งใจทำการงานนั้นโดยเฉพาะและก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตามแบบของอิทธิบาสีอิทธิบาสีนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด้าว่าบรรดาพูกท่านหลายที่อิทธิบาสีแล้วก็ผมให้ปฏิบัติไปอีกโกชาติ เนีกหลายอสงไขยกลับมันก็ไม่ได้อะไรทั้งหมดเราฟังกันมาทุกวันทีนี้การที่ทําจิตไม่ว่างคือว่าถ้าเราทํางานอยู่เอาจิตจับอยู่เฉพาะงานแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจการงานที่เราทำนะ่ะด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอย่าใช้ความโง่ทํางาน ใช้ความโง่ทํางานในงานมันมีจะพาะหน้าก่อทําดยมันดีหรือไม่ดีมันผิดมันทลาดหรือยังไงมันควรจะเร็วมันควรจะช้าจะรุกล่ายให้มันดีมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นยังไงไม่เข้าใจทําส่งไปผลมันก็ได้ไม่กันแหละแต่ว่าผลมันได้อย่างเดียวคือได้งานที่เป็นโลกีวิสัย ถ้าเราใช้กำลังใจเข้าในงานในงานนั้นเป็นกรรมฐาน <c oughs> ทำไปด้วยแล้วก็พิจารณามันไปด้วยจิตจับอยู่ในงานคิดว่าไองานที่เราทำนี่คนที่เขาทำงานอย่างเรานี่มันก็ทำมาตลอดทุรยะตั้งแต่ต้นกลับเลือกกลับไหนๆเขาก็ทากันแล้วทำแล้วมันก็ตายทุกคน แนื้อผลงานที่เราทำเราทำดีที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปทีละน้อยแต่น้อยคนนี้สุดไอ้วัตถุที่เราทำเนี่ยมันก็พังในคนที่เเคยทำงานมาก่อนเราเนี่ยมันก็พังเหมือนกันแล้วเราจะมานั่งโง่เกิดเพื่อประโยชน์อะไรนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วย ถ้าทํากิจการงานที่ซึ่งเป็นต้องใช้กําลังแรงงานใช้ปัญญาพิจารณาด้วยแล้วก็ความฉลาดมันก็เกิดต้องใช้ดุญวินิ์ว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนมันจะถูกอย่างไหนมันจะควรความสามารถก็เรามีอยู่แค่ไหนรู้ในความสามารถรู้กิจในการควรไม่ควรแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิต ไอชีวิตของเรามันก็เหมือนงานที่เราทํามันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยดันน้อยนี่งานไม่ขึ้นมาทีละนิดดันนิดในที่สุดงานมันก็โตในที่สุดมันก็ถึงที่สุดชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเล็กขึ้นมาแล้วมันก็โตขึ้นไปถึงที่สุดคือร่างกายในเมื่อถึงที่สุดไปไหนโทมสิทางเสื่อมลงไปทีละน้อยดัน้อยในที่สุดก็พัง อสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราจะเกาะมันไว้ทำไมคั้นห้าถตาว่า ก, การไม่เกาะขั้นห้านี่ไม่ใช่ขีดเกียรติทำการงานทำงานตามภาระทำงานตามหน้าที่งานที่ควรจะเสร็จให้มันเสร็จไปใจมันจะได้ไม่ยุ่งเวลาที่ใช้ประการพิจารณานี่ถึงแม้ว่าขั้นสุขวิบาชิกก็ต้องทำอย่างนี้ เตวิโชเชลพิญโยปฏิสัมมิทัปโตเขาก็ทำกันอย่างนี้นี่มาว่ากันทั้งด้านภาวนาคือสรงสมาธิจิตวิปัสสนาญาณเมื่อเราเสร็จสิ้นจากการงานที่เราทำแล้วดูหนังสือแล้วเรก็ตามถอถ้ายิา่งของเราเนี่ได้กำไรมากเพลฟเสียงมีอยู่ไม่ขาดสาย เมื่อว่าจะการงานเปิดเทปฟังเสียงไปจิตใจก็หูก็ฟังเสียงใจก็พิจารณาไปด้วยอย่าให้มันว่างถ้าไม่มีเทปฟังเสียงไม่มีหนังสือฟังเดินไปเดินมาอยู่จิตใจจับคำภาว น, นาและพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความฉลาดมันจะเกิดกับจิต เพาว่าจิตเป็นสมาธิว่างจากนิวรณ์ไอคนที่จิตโง่มีอารมณ์พุ่งได้มีความเข้าใจผิดนิวรณ์ไม่เข้ามาสิงใจถึงได้สแสดงความโง่ความไม่เข้าใจออกมาถ้านิวรณ์มันมันหลุดออกไปจากใจจิตมันก็เป็นฌานความฉลาดมันก็เกิดนี่ที่ผมรู้พวกทัานแหละผมรู้ แต่เป็นพระเป็นในนุบาสุบาสิการก็ตามที่รู้ว่ายังไม่ฉลาดคือยังไม่ได้อะไรขึ้นมามากมายนักหรือบางท่านก็เลยไม่ได้อะไรเลยก็เพราะว่าจิตไม่เอาจริงถ้าเรื่องเอาจริงแล้วมันได้ทุกคนไอ้ห่อค่อยเอาจริงๆตามที่แนะนําเถอะ แค่ว่าฟังไปเลยเป็นเป็นธรรมดาดีไม่ดีก็ฟังเป็นพิธีถ้าดีไม่ดีก็เลยไม่ฟังซะเลยเสียงผ่านหูไปเลยเอาหูทําเป็นหูก็ทักไปใช่ตาเห็นหนังสือแล้วตาเป็นตากระทูกไปใช ไอ้หูก็ทะาตายกระทูนี่ไอ้หูมันหัวทะาฟังไม่ได้ยินตากระทูมองดูอะไรไม่เห็นนี่เป็นอันว่าต้องใช้กำลังจิตให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะพูดถึงด้านทิพยคุยานก่อนถ้าเราได้ทิพยคุยานแล้วแล้วก็ได้จุตูปปปาติยานเจโตบริยานปกเพนิวาสานุสติยาน อธีตามสิยานาณาคตาสังอาายานปัจจุปนังยัสสิยานยถ า, ากรรมุตายานหมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้ว่าระนำจิตของตนรู้ว่าระนำจิตของคนอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนละสัตว์ รู้เหตุการณ์อนาคตของคนและสัตว์ทวัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทําอะไรอยู่ใครดีใครชั่วรู้กฎของกรรมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี่มีความสุขความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าเราได้ทิพยคุ ย, ยานอย่างเดียวเราได้ยาดแปดอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นญานอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้ สําหรับกําลังใจในการได้การปฏิบัตินี่เขาทากันยังไงวิธีฝึกทิด ป, ประยชคุยานนี่มีหลายแบบแบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเ จ, จ้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีมีเยอะแต่ผมจะพูดเพียงแบบเดียวนิว่ากันแค่ที่ประยชคุยานกันก่อนนะ ก็ใช้กาลังใจไม่กันได้ว่าท่านจะฝึกมโนยิธิก็ต้องใช้กำลังใจแบบนี้ไม่กันคือกำลังใจที่ทรงสมาธินะ่มันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นไม่ใช่สุขาวิปัสสโกก็าทาเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะอย่างนี้ไม่ใช่สุขาวิปัสสโกแล้วเป็นทุกขาวิปัสสโกกว่าจะได้ไม่กะแสนลาบาก กำลังใจในใช่เสมอกันสุดแล้วว่าจะเลือกผลเท่านั้นเหมือนกับงานที่เราทำอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถน น, นอยากจะปั้นหมอ้ออยากจะปั้นตุม่มอยากจะปั้นน้ำให้เป็นตัวมันต้องใช้กาลังเท่ากันมีความขยันมันเพียรเท่ากันชั้นพระมีความพอใจเท่ากันวิญญามีความเพียรเท่ากัน จิตตาอาจิตใจจดจ่อเหมือนกันมีมังสาให้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงที่ยุญคุยานที่ปุญยานนี่ผมฝึกมาในด้านลักแต่ผมฝึกจริงๆนะผมฝึกมันหมดแล้ไม่ว่าอี่าไหนฟัดหมดก็มาฐานสี่สิบท่านถามผมดิกองไหนที่ผมไม่ได้ไม่มี เริ่มมาหาสิปฏิปทาในสูตรดจุดไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีคุณทำยังไงกับผมทําทบ้าๆบ่ๆอย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่นหนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคำภาวนาและพิจรารณาทํางานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐาน ดูหนังดูภาพยนตร์หรือว่าดูมหัรสยต่างๆผมเอามหรสยเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีพเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐานเห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถาน ใช้จิตพิจารณาว่าคนคนดีสัตว์ดีไอ้สิแสดงมรสพันอยู่แล้ภาพที่มันเห็นนี่เรืยกว่าถูต่าต่างๆมันเป็นอนิจจงมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักสนแสดงแมเ้เวลามาข้างนอกแต่งตัวโกเป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ขาะท่าทางหมบราบขาบแกวกลัวกันเละเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกัน ต่อไปเข้าไปในโรงดีไม่ดีนะไอ้ตัวนายเนี่ยเป็นลูกไล่ของตัวฮิคานี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยกขาต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิพยจกุยานค่อยๆว่าไปทีละขั้นถาว่าท่านจะฝึกมโนยิธีเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมามบัตว่าไปเลย อย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดกันเลิกกันสักทีถ้าได้มโนยิธิเขาแก้อารมณ์กันข้างบนน่นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรมเที่ยวกันบนนิพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแก้อารมณ์ไม่ง่ายใช้เวลาแบกเดียวเดี๋ยวเดีย ว, เ, ยวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลย ตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกําลังใจไม่เข้าถึงมโนยิธิมาว่าการที่ไปอยู่ขุยานผมสอนไม่แล้วว่าพุทธังไม่เคณมิจิตตังมาเอา อ, อกทำมังไมคณคยมิจิตตัง อ, อกออกมาสังคังไม่เคิมิจิตตังอะมา อ, อกไม่เป็นแบบรักครุมหมดวิชาแปดที่กระนีสมาทานกันนี่ถ้าทำอันนี้ได้ทําได้หมด เวลา ท, ทําทำทําทำยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปหรือว่าจับภาพพระสงฆ์เป็นพกระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่เข้ามาในใจเสมอถ้าจิตไม่บ้างจากอารมณ์อย่างอื่นคำภาวนาเนี้มันโผล่เข้ามาเลย แล้วก็จิตนึกถึงภาพพระนยะให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมานี่พวกเราที่ยังติดภาพลอยกันเยอะภาพลอยนี่เขาไม่ใช้นะมันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะเไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมอง นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกแล้วอยู่ในสมองถามว่ามันทำยากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีที่บาศีที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นเขากินข้าวเราก็กินข้าว เขามีมือมือละห้านิ้วเราก็มีมือมือละห้านิ้วเขาฟังมาษามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังมาษามนุษย์รู้เรื่องเขามีกำลังใจได้เราก็มีกำลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีมีวินัยอยู่ในใจจิตตะอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคําภาวนาและภาพพระพุทธรูปและภาพประสงค์ที่เราจับไว้ มีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนานี่ยมันถูกหรือไม่ถู ก, ก, ถกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้เนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กันสัญญาคือจําไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นขดัดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไป คำภวนาว่ายังไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นโบติไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขัดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากำหนดไว้ภายในอกด้านในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิตไม่ๆ ม, มันก็ลําลำบากนิดหนึ่งไม่มันยากเกี่ยวกอะไ ร, เ อ, รเอาจิงเอาจังแล้วไม่มีอะไรจะยาก ไอ้ที่ยากมันเปนคนไม่จริงสักเที่วว่าอยากอย่างนั้นสักต้องอยากอยางนี้นถ้าลงอยากแล้วพังไม่ต้องไปนั่งอยากไม่ต้องไปนั่งนึกมันเอามันเลยจิตปากคิดว่าพระพุทธรูปองนี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สําหรับนึกนกถึงเป็นเวลาเข้าวนา เดินไปเดินมาไปบิณฑรรบาตทำกิจการงานทำอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่แต่ว่างนิจจิตนึกถึงภาพพระ อ, องค์นั้นภาวนาติดจะมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่หักว่าบังเอิญภาพพระนั้นเรานั่งแล้วนึกถึงภาพพระนั่งแต่ภาพพระแยกลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดิน เห็นาจับภาพพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปไกลเป็นภาพประสงค์อารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นภาพสีขาวสีดํำสีแดงก็ช่างเราจับภาพพระน่ะให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอริยาบถท่านจะเปลี่ยนภาพจะกระไซจะเปลี่นไปอย่างไงก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการ อาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอารมณ์แห่งทิพย์กยานมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเราที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบางเป็นนอนบางยาวภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็น อย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึกเอาใจนึกเห็นไว้แต่อย่าไปอดวิเศษนะวัานันาาาน่นเป็นอุปบทมาปาทานปาเธอน่ะในอดดีไม่ว่าในอดเลวนี่สิมันยำจำแบบจำแผงเขาไว้ดีที่เขาได้มาในเขาทำกันยังไงถา้าเราเก่งจริงๆแล้เราไม่ต้องมาฝึกหรอก มันก็ดีมาตั้งแต่ทองแม่แล้วไอ้ที่เขาทำกันได้เนี่ยเขาทาอย่างนี้ถือว่าแม้มันเป็นอุปาทานอย่างงั้นอย่างนี้หูที่ได้ยินเสียงป็นุปาทานตาที่เพึงใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาอะไรเห็นภาพได้เปุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคําว่าอุปาทานเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อน ถ้าเวลาที่ทำสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นยังก็เห็นเคยเห็นภาพเทวดาที่เขียงตามผนังบทไม่มีเสือ้อนางฟ้าไม่มีเสือ้อเทวดาไม่มีเสือ้ออารมณ์แว บ, บหนึ่งภาพลอยมาเทวดาไม่มีเสือ้อ น, นี่นะตัวปลาทานันให้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์รบเป็นสมาธิจริงจริง จิตจับภาพพระเป็นปกติแต่บางขณะจิตหายแวบลงไปสิ่งอื่นมาสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเป็นของแทรไม่เช่ปาปลาทานอันนี้ผู้คนทั้งด้านทิพย์คุกยานก่อนแต่ว่าหากว่าท่านอยากฝึกโมโนวิทิก็ต้องใช้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์มันต้องใช้เท่ากัน ท้งสอย่างนี่บอกแล้วสุขาวิปัสสโกติวิโชชราปิญโยปฏิสัมพิทาประตใช้อารมณ์อย่างเดียวกันความเข้มแข็ง ข, ของจิตเหมือนกันแต่เว้นไว้แต่จะเลือกทางเดินเราท่านั้นนี่แต่หานว่าภาพของท่านเข้าถึงอารมณ์ อ, อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพจิตเริ่มเป็นทิพ จะเริ่มมีาการไหวตัวขึ้นมาในด้านลักษณะของที่เป็นจุฬาลัยเดี๋ยวก่อนท่องเขาพูดต่อไปก่อนยังมท่ทบายแลวตอนนี้ถ้าต่อไปอาการภาพพระที่เราเห็นมีสภาพหองใสใจจับได้เป็นปกติ คำว่าปกติจะนึกภาวนาขึ้นมาเมื่อไรนึกถึงเห็นภาพพระทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีนี่จิตต้องคล่องอย่างนี้นี่ตามมิสุทธิมกักท่าจิตต้องเป็นนวสีนวสีก็คือการคล่องถ้าการคล่องอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์แห่งทิพยคุยานสามารถใช้ได้แล้ว เริ่มใช้ได้แต่ว่ายังไม่ดีมีทีใช้ท่านยังไงที น, นี้วันนี้ผมจะพูดถึงอาการแห่งทิพยอยู่ข ย, ยานที่ไม่เกิดขึ้ น, นดับต้นเวลามันเหลือนาทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนคือว่าเวลาเรานอนภาวนาไปเวลาภาวนานอนภาวนาจับภาพพระเลยไปพอใกล้จะหลับมันเครื่องหลับเครื่องตื่น ว่าตื่นขึ้นมาเครื่องหลับขึ้นตื่นมาเต็มที่มันจะเกิดนิมิตแวบหนึ่งขึ้นปรากฏนิมิตมันจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามจิตมันจะบอกเลยว่านิมิตอันนี้จะเป็นภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใจเราต้องเชื่อจุดนี้ทันทีอย่าไปคิดต่นหลังไม่ได้แล้วจุดนั้นมันจะตรงอระไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดหมดแล้วนี่ อขอท่านหลายโปรดตั้งใจสมาทานประกรรมฐานขอโทษตั้งใจพิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัยทั้งนี้พ่อไร้รู้ว่าเวลามันหมดวันพรุ่งนี้พูดต่อกันใหม่